الحمد لله رب العالمين اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله و ا ص ح ا ب ه ا أ ج م ع ي ن سبحانك لا إلَّا ع ل م ت ن ا َ ن ك َ أ ن ت العليم الحكيم ر ب ا ّ شرح لي ص د ر ي و ي ش ر لي أمري وأحلُّ لقُدرة من ل س ا ن ي ق ه ق ي ة أو ق و ل ي اللهم ف ع ن ا ب م ا ع ل م ت ن ا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علمه من رحمةك يا رحمن الرحيمين الحمد لله ขอบคุณพระเจ้า سبحانه และ تعالى ที่ยังสมให้โอกาสเราได้มาพร้อมๆกันนะครับเพื่อที่จะมาตระบูลทำความเข้าใจกับ อัลกุรอานคำพีของพระองค์อัลลอฮ์สุฮาห์นะจาะละซึ่งเป็นวิธีชีวิตของพวกเราทุกคนชีวิตและความตายเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์กําหนดเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสร้างมาให้เป็นเนื้อหาในการที่จะทดสอบพวกเราทุกคนอันนี้ทบทวนของเก่าเล็กน้อยเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้เรียนเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับ อายัดที่สองทีอ่อรัถตะเราบอกว่าพระองค์ทรงสร้างความตายกับชีวิตมาเพื่อทดสอบพวกเรานั่นแหละครับเพราะฉะนั้นใครที่เข้าใจข้อเท็จจริงข้อนี้เขาก็จะใช้ชีวิตด้วยความตระหนักความเข้าใจว่าเขาเกิดมาเพื่ออะไรเขาไม่ได้เกิดมาด้วยความต้องการของตัวเอง และเขาก็ควรที่จะใช้ชีวิตนะไม่ควรที่จะใช้ชีวิตตามความต้องการของตัวเองในเมื่อเราไม่ได้เกิดมาตามความต้องการของเราเวลาที่เรามามีชีวิตเนี่ยบอกว่าแล้วแต่ฉันชีวิตเป็นของฉันอันนี้ก็แสดงว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอัลลอฮฺต้าลาต้องการที่จะทดสอบเรานะครับว่าใครที่จะ เป็นคนที่ดีที่สุดอิบนุกะซีรบอกว่า am, อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ไม่ได้บอกว่า mm hmm. อ่าะลมยَ ق ُ ل ْ أكثَرُ عَمَلًا อัลลอฮฺต ع อ ل ى ไม่ได้บอกว่าใครที่มีมานมากที่สุดในหมู่พวกเจ้า mm hmm. แปลกไหมครับ mm hmm. ความจริงอ่เรื่องจำนวนกับเรื่องคุณภาพเนี่ย mm hmm. มันอาจจะคลากันหรือมันอาจจะมีสอง mm hmm. พวกเราชอบเยอะหรือว่าชอบดี หมายถึงจํานวนจํานวนเยอะอามัลเยอะกับอามัลไม่เยอะเท่าไหรแต่ว่าดีมีคุณภาพพวกเราชอบอันไหนส่วนใหญ่เราจะชอบเยอะใช่ฮหไม่ค่อยชอบดีเท่าไหร่ทําอามัลเยอะๆไม่เคยได้ยินวนะ่าทำอามัลให้ดีๆนะทำอามัลให้เยอะๆเอนี่เราได้ยินบ่อยต้องทําอามัลให้เยอะเออไม่ค่อยมีคนบอกว่าทําอามัลให้ดีๆนะ ในภาษาอัลกุรอานอัลกุรอานต้องการให้เราทำอำาอามัลให้ดีไม่เยอะก็ได้แต่ให้ดีหรือถ้าเยอะแล้วดีอันนี้ยิ่งดีใหญ่อันนี้ต้องการที่สุดแต่ถ้าหากเยอะแล้วไม่ดีต้องพิจารณาหน่อยเพราะว่าไม่มีแล้วเยอะ <S 1> <S 1> เยอะแล้วไม่ดีเนี่ยเหมือนกับว่าไม่มีค่านะครับเยอะแล้วต้องดีด้วยนะถ้าหากว่าทำเยอะไม่ไหว เน้นทาให้ดีอันนี้คือสิ่งที่อัลลอลาต้องการเป็นการตักซีดของอุลามเองด้วยอิมรุกซีรบอกเองว่าวลม ي َ ق ُ ل อัลลอลามันเล่ว่าให้ทาให้เยอะ سبحان ลการทำอาลามะให้ดีนั้นมีสองเงื่อนไขนั่นก็คืออัคล اس ุอาามะที่มีความอคลา อำนที่มีความบริสุทธิ์ใจต่อ Allah มากที่สุดนั่นแหละคือเงื่อนไขข้อแรกวัสวะบูฮอำลที่ถูกต้องที่สุดที่ตรงที่สุดกับตัวอย่างของเราคือท่านนบี m u h ม m m a d อล l l ล l l a h u ะ l a i h i w a s ัล l a m วะฮฺอัลอาซิซุลกัฟูนั่นแหละคือใน Allah subhanahu wa t ในขยอที่สองี่เราอ่าบอกว่าเพราะองค์นั้นเป็นอัลอาซซ العزيز หมยถึง العظيم, الغالب, المنيع หมยถึงความผู้ที่เกรียนไกลผู้ที่ชนะไม่มีวันแพ้ไม่มีใครที่สามารถให้พระองค์แพ้ได้ผู้ที่อ๋อละซีมผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่อมีอะไรแล้วพระองค์ไม่ต้องการให้เราได้รับบางสิ่งบางอย่างก็ไม่มีใครที่สามารถจะเอาของนั้นมาให้กับเรา รองกําหนดเป็นผู้ที่หักห้ามไม่ให้เราได้รับอะไรบางอย่างเราก็ไม่สามารถที่จะได้สิ่งนั้นอันนี้คืออัลอาซีสอัลกัฟูรอัลอซีสอัลกัฟูรอัลกัฟูรเนี่ยหมายถึงผู้ที่ทรงอภัยสุบฮานะลลอทรงอัยโทษให้กับคนที่กลับตัวคนที่ทําบาปแล้วกลับตัวแล้วต่างอะไรจะส่งอภัยชื่อสองชื่อนี้มาอยู่ด้วยกัน คนใลักษณะสองคนใลักษณะนี้ของลอตตาลามาอยู่ด้วยกันมันสร้างความสมดุลที่เราสามารถจะเรียกว่ า, าที่เราเคยพูดถึงความกลัวกับความหวังเวลาที่เรานึกถึงอัลลอฮฺจเรามักจะกลัวมันเกิดความกลัวเองอัลอฮฺจยิ่งใหญ่ไม่มีใครสามารถล้มได้ไม่มีใครสามารถ ต้านทานอำนาจของพระองค์ได้มีใครบ้างที่ไม่กลัวเราทําผิดนิดเดียวนี่ถ้าอรสะลาจะเอาโทษกับเราเนี่ยรออาตบัดอลอวิสทําได้เลยอะถ้าบ่าวคนใดคนหนึ่งขอล้องแต่อลาทําผิดต่อพระองค์และพระองค์จะลงโทษเนี่ยถามว่ามีใครสามารถจะมาห้ามพระองค์ได้บ้างไม่มีแต่พร้อมๆกับความสามารถของพระองค์ในการที่จะเอาโทษเราได้เนี่ยพระองค์ยังบอกว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่เมตตา เราทําผิดนวัดตาละจะโทษลงโทษเราก็ได้แต่พระองค์ไม่ทรงลงโทษแต่ทรงอภัยให้กับเราแทนทรงอภัยให้กับเราโดยเฉพาะคนที่ขอโทษเตาบัดตัวต่อรอบสุภาณวตฒนาคนที่ไม่เตาบัดตัวเองบางครั้งพระองค์ก็ยังอภัยแล้วนักประสาอะไรกับคนที่เตาบัดในภาพออาไหมครับเพราะฉะนั้นสองชื่อนี้ มันให้ทั้งความกลัวและก็ความหวังกับเราซึ่งเป็นความสมดุลในการที่เราจะดำรงชีวิตอยู่เป็นมนุษย์ได้มนุษย์ถ้าไม่มีความกลัวก็จะทำบาปไม่เว้นแต่ละวันและถ้ามนุษย์ไม่มีความหวังก็จะไม่มีกำลังใจในการที่จะทำดีเห็นไหมครับสองอย่างนี้มันต้องไปด้วยกันเรคยมับอกว่าเหมือนปีกสองข้างปีกข้างหนึ่งต้องกลัว ปีอีกข้างหนึ่งต้องหวังนะครับนี่คือบทสรุปจากอายัดที่สองที่เราอ่านไปเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้ววันนี้เราจะมาเรียนกันอายัดที่สามนะครับค่อยๆไปนะครับอย่างที่บอกไม่ต้องรีบให้จบไม่ต้องรีบให้จบเพราะว่าเราต้องการช้าใ้นะมผมไม่ได้เน้นจำนวนไม่ได้เน้นจำนวนเอาตามอายัดนี้เลยอะซานนอ้ามาแล้วก็แล้วกัน นะครับไม่ต้องเน้นจำนวนเอาเน้นเนื้อเนื้อเนืนเน้อหาที่เราสามารถจะเอาไปใช้แล้วก็ทบทวนอยู่ตลอดเวลาได้จริงๆอินชาอัลละ์มาอ่านกันก่อนนะครับสักนิดหนึ่งก่อนที่เราจะดูอายะที่3กับอายะที่ส mm ี hmm. ่มีอะไรบ้าง suratu a m u l k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 ب َ ا ر ك َ ا ل ذ ي ب ي َ د ِ ه ِ ا ل م ُ ل ك وَهُوَ ع َ ل ى ك ل ّ ش ي ء ق د ي ر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 الذي خلق سبع س م ا و ا ت طبقاً. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ فرجع البصر هل ترى من فطور؟, ترى من فطور؟ ثم ا رجع البصر كرتينين. قالب إليك البصر َ خاسئا. ينقلب إليك البصر َ خاسئا. وهو حسير، ي <تصفيق> ل ي <تصفيق> ك الله و ا ز ي م ولا قادٍ زين السماء الدنيا بمصابيح. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا, للشياطين, رجوماً <تصفيق> لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ا ل س َّ ع ِ ي ن ِ อัลฮัมดุลิลลาฮ์ะครับอายาต์จากส ورة อัลมุลก์พี่น้องครับถ้าเราสังเกตดูให้ดีส ورة อัลมุลก์ต้นส ورة ที่เราอ่านหลายครั้งแล้วนะครับเราจะเห็นว่าอัลกุรอานเวลาเวลาเวลาที่อัาาาลลอฮ์ سبحانه และ ت จะสอนเราเกี่ยวกับชีวิตของเราเนี่ยพระองค์จะไม่แยกแยกจะไม่แยกสอนเราจะเห็นว่า ตั้งแต่อายัดที่ 1-5 เนี่ยจะมีทั้งเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเกี่ยวกับเตาที่เกี่ยวกับอคิีดที่เราจําเป็นจะต้องรู้จักอัลลอฮ์ سبحانه และเตาลาด้วยความเชื่อเหล่านั้นแล้วยังมีพูดถึงธรรมชาติพูดถึงการสร้างของอัลลอฮ์ سبحانه และเตาละและยังมีภาคปฏิบัติ เรียกร้องให้เราลงมือทำเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเรียนเนี่ยเราเองก็ไม่ควรที่จะแยกบางครั้งการที่เราแยกเรียนอย่างนี้มันมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าบางทีอาจจะค่อยวหรือเบี่ยงเบนจากแนวทางอัลกุรอานในการที่ต้องการในการที่จะต้องการให้มนุษย์เนี่ยเวลาเข้าใจชีวิตแล้วควรจะเข้าใจครอบคลุมไม่ใช่เข้าใจแบบแยกส่วนเรียนอกักต เรียนจนกระทั่งหัวงอกลัวยังไม่ได้ใช้ใช้ทําอะไรเลยเรียนจนตายก็ไม่ได้ใช้เพราะอะไรครับแยกเรียนอย่างเดียวแยกเรียนเฉพาะเรื่องความเชื่อเรื่องอกคดัชอย่างเดียวสลับกันไปตั้งตักกะนัตักกะนี่กันเยอะแยะไปหมดไม่ได้ใช้เพราะอะไรเพราะเรียนแค่ภาคคฤษฎดียอเคดัชส่วนใหญ่จะเป็นภาคคิสเีไม่ได้เรียนว่า ไอทฤษฎีที่เราเรียนเนี่ยจะใช้ยังไงหรือบางคนเรียนแค่เรื่องปฏิบัติไม่ได้ผูกโยงกับอัลลอฮ์สุบฮาตนตะละการเข้าใจการรู้จักอัลลอฮ์เรียนแต่เรื่องฟิกอัปน้าละหมาดเป็นยังไงละหมาดเป็นยังไงถ้าเป็นอย่างนู้นจะต้องทํำยังไงถ้าเป็นอย่างนี้จะต้องทํำยังไงเขาเรียกว่าไม่มีจิตวิญญาณของการทำำําอามะแยกส่วนเรียนบางคนก็ เรียนเกี่ยวกับดุน ي ة ไม่ได้เกี่ยวกับอามั말เลยไม่ได้เกี่ยวกับอัลลอฮ์เลยอัลกุรอานไม่ใช่อัลกุรอานจะเป็นเนื้อเดียวกันหมดอัจเดะอา말 ม, มัค ล, ลูดุน ي ة คือเรื่องเดียวกันที่เราควรจะต้องรู้แบบเรียกว่าอะไรนะบุรณาการให้หมดเลยนี่คือวิธีของอัลกุรอานเพราะฉะนั้นการที่เราจะเรียนอัจเดะดีที่สุดเรียนกับอัลกุรอานนี่แหละ เรียนภาคปฏิบัติดีที่สุดก็เรียนกับอัลกุรอานนี่แหละจะเรียนเรื่องโลกเรื่องมรคลุกดีที่สุดก็เรียนกับอัลกุรอานนี่แหละบางคนถอบบอกว่าอาจารย์ทําไมไม่สอนอกีดะบ้างเนี่ยเราเรียนอกีดะกันอยู่อาจารย์ไม่สอนฟิกบ้าง น, นี่เราสอนกันอยู่อาจารย์ไม่เรื่องไม่เรียนเรื่องดุนยาบ้างเนี่ยเราเรียนหมดเลยในอัลกุรอานมันมีหมดเลยเรียนตัสซีเนี่ยมันครอบคลุมหมดเลยบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่า เรียนอะไรับอาจารย์อ๋อเรียนทัศนีรอ๋ออาจารย์เรียนทัศนี ร, าา ร, ร, นรไม่ได้สอนอย่างอื่นเลยเหรอไม่ได้สอนฟิกบ้างเหรอไม่ได้สอนอากิด้าบ้างเหรอไม่ได้สอน سبحان อัลลอฮ์นี่เราเรากำลังเข้าใจผิดอะไรบางอย่างไปหรือเปล่านะครับถ้าเราจะต้องการสร้างให้เรามีความส ม, มดุลมีความสมบูรณ์ในทุกๆด้า น, นอาัลกุรอานมันรองรับความเข้าใจนี้หมดแล้ว سبحان อัลลอฮ์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรียนอัลกุรอาน เราก็อย่าเรียนแบบแยกส่วนเรียนอัลกุรอานแบบแยกส่วนเรียนยังไงเรียนอ่านยังไงเรียนรู้นี้คืออะไรต้องออกเสียงแบบไหนไม่ยักที่จะถามสักนิดหนึ่งเลยว่าเอ๊ะความหมายมันว่าอย่างไงรัตาล拉ต้องการเสืออะไรกับเราไม่มีใครถามเลยเอ๊ตกลงอายะนี้เนี่ยมันใช้ในชีวิตจริงของเราอย่างไง ไม่เคยมีใครตั้งคำถามอย่างนี้เราเรียนอัลกุรอานแบบแยกส่วนก็ไม่ได้เหมือนกันนะคมันจะไม่ได้ประโยชน์ไม่ควรนะครับจริงๆแล้วการแยกส่วนวิชาความรู้เนี่ยถามว่าดีไหมดีในแง่ที่จะทําให้ใครบางคนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆเพราะว่าไม่มีใครที่สามารถจะเชี่ยวชาญแต่ผมว่าไอความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะเนี่ยมันมีในยุคหลังละสมัยก่อนนี่เขาเชี่ยวชาญหมดเลยลองกลับไปดูอุลามะบางคน อุปกรณก็เก่งฮัตติสก็เก่งประวัติศาสตร์ก็เก่งเขาเรอยกพระหูพระหูสูสมัยก่อนอุลมามะแบบนี้จะมีเยอะอุลมามะที่รู้หลายเรื่องมาสมัยเราเนี่ยถ้ารู้เรื่องนี้แล้วเรื่องอื่นไม่รู้เลยอย่าไปถามเรื่องอื่น <laughs> พูดไม่ถูกมนไม่ออกเพราะว่าสมัยก่อนเขาไม่ได้เรียนแบบแยกสวย่วนนะฮะนักตับซีรก็คือนักฮัตติส เรียนฮะดิษด้วยเรีตับซึเป็นหมอด้วยบางทีเป็นหมอด้วย น, นี่คือนี่คือสภาพที่มันบิดเบี้ยวในในในระบบการเรียนการศึกษาของของเราในยุคนี้เพราะฉะนั้นการที่เรามานั่งเรียนอัลกุรอานแล้วก็ดูทั้งหมดส่วนต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตนี่ผมว่าแม้ว่ามันไม่สามารถที่จ ะ, ะมันไม่ถึงมันไม่เข้มข้นเหมือนกับคนคนสมัยก่อนเขาเรียนกันแต่ว่ามันสามารถที่จะตอบโจทย์ ความต้องการของชีวิตของเราได้ได้อย่างครอบคลมุมมันไม่ได้ตอบโจทย์บางเรื่องเวลาที่เราเรียนอะกิดะจนเยอะมากนะอย่างเช่นเขาเปรียบเทียบเหมือนกับเวลาที่เราดูดวงอาทิตย์น้องครับดวงอาทิตย์นี่ชัดเจนไหมฮะแสงสว่างของมันเนี่ยสว่างมากเลยมันสว่างมากอะ่ะแต่เวลาที่เราดูดวงอาทิตย์นานๆมันจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นครับ เราเองที่ปวดตาเป็นภาหนะเราจะบางทีถึงขั้นตาบอดก็ได้เนี่ยบางคนเน้นเรื่องอาการด้างจนกระทั่งตัวเองเสียสตินั่นแหละปัญหามันเหมือนกับเวลาที่เราอยากจะดูดวงอาทิตย์อะดูนานๆเนี่ยมันเวลาที่เราดูดวงอาทิตย์ดูเฉพาะเท่าที่จําเป็นใช้แสงจากดวงอาทิตย์เท่าเฉพาะที่มันจําเป็นแค่นั้นเองไม่ว่าที่เราไปดูนานๆไปล้วงลึกมันนานๆเนี่ย มันจะก่อให้เกิดอาการที่ไม่สมประกอบกับตัวเราเองเป็นเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่ Allah ของเราเองท่านนาบีสุลต่านเอง <c oughs> ก็เตือนประชาชนของตั้ง น, นนะครับไม่ให้สุดโตงไม่ให้สุดโต่งทำอะไรไม่ให้สุดโต่ให้มันพอดีพอดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับ a l ล a h سبحانه และุต่าละไม่ให้ลวงลึก จะลวงหรือคือเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงล้วุดริ์กูรูและเอาอบเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงหมายถึงว่าไม่สามารถที่จะรู้ทุกอย่างรายละเอียดเป็นยังไงวิธีการเป็นยังไงละเอียดที่ยิบเกี่ยวกับอัลลอฮฺตะลาอัลลอฮฺตะลาไม่เปิดอัลลอตะลาเปิดเฉพาะสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องรู้รู้แล้วมีประโยชน์รู้แล้วมันกระตุนนะต้นให้เราทำำํางานกระตุ้นให้เราทําอามัลอิบาดัดแค่นั้นเองเพราะฉะนั้น การเรียนแบบแบบบูรณาการทั้งหมดเหมือนที่อัลกุรอานต้องการสอนเราจึงเป็นวิธีที่ผมว่าสมดุลที่สุดแล้วเหมือนคนที่เรียนไม่ใช่เฉพาะเรียนเรื่องเรื่องเรียน เ, เรื่องฟิกก็เหมือนกันบางคนเรียนเรื่องฟิกมากจนกระทั่งว่าทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องทำว่าอะไร เพราะเวลาที่ไปดูในฟิกนี่มันจะมีอุลามะคนนั้นบอกว่าวาจิบอุลามะคนนี้บอกว่าสุนัตตัวเองก็เลยเลือกเอาแต่เฉพาะที่มันสุนัตก็เลยไม่ต้องทําอะไรสักอย่างเห็นไหมคือพอเรียนแยกส่วนแล้วมันมีปัญหาทั้งหมดเลยดุนยาก็เหมือนกันเวลาที่เราเรียนดุนยาแบบแยกส่วนมันก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นวิธีการเรียนที่ดีที่สุดเนี่ยเรียนเหมือนที่อัลละฮ์สอนสัฮาบะสอนนบีแล้วนบีเราเอาไปสอนสัฮาบะเหมือนกันเรียนแบบนี้เรียนแบบอัลกุรอานอ่านอัลกุรอานทีละอายทีละอาย อะไรที่เราสามารถใช้ได้ใช้ไปเลยตรงนั้นเลยนะครับเราไม่ได้ปฏิเสธระบบที่ว่าเรียนแบบแบบนั้นนะผมบอกแล้วไม่ได้ปฏิเสธเพราะว่าบางครั้งเราก็ต้องการความเชี่ยวชาญการการแยกแยกคณะการแยกประเภทความรู้เนี่ยเป็นเครื่องหมายถึงความอ่อนแอของคนยุค ป, ปัจจุบันเป็นเครื่องหมายว่าเราอ่อนแอ เพราะคนสมัยก่อนเขาไม่ได้แยกไงเราคนนี้อ่อนแอก็เลยต้องแยกเอาคนนี้มีแววไปในเรื่องของคาดิสเอาเรียนคาดิสอย่างเดียวพออย่างอื่นไม่เรียนจะได้ว่าอ่อนแอร์เอคนนี้มีแววว่าอะไรเป็นนักทับเสดลเอาเรียนตับเสดพอไม่ต้องเรียนอย่างอื่นอ่อนแอร์ครับสมัยก่อนเรียนทั้งหมดเลยเป็นคนที่มีความเข้มแข็งอลองอุส่าหนะครับเพราะฉะนั้นผมกลัวว่าเราจะมีความรู้สึกว่าโอ้เราไม่ต้องเรียน เราไม่ต้องหาความรู้แล้วหรือบางทีเรารู้ละเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็นึกว่าตัวเองรู้หมดทุกอย่างคนอื่นไม่มีใครที่รู้มากไปกว่าฉันละไม่ใช่นะครับไม่ได้เด็ดขาดเลยความรู้สึกแบบนี้นะครับเป็นความรู้สึกที่ทคล้ายๆกับความความคิดความอ่านของศัตรูของอัลลอฮ์ชื่อว่าอิบลสลนะทูลอลอฮุนายนะไอ้บลส เป็นเป็นเป็นเป็นผู้ที่มีความยโสโอหังนึกว่าตัวเองรู้ทุกอย่างเพราตัวเองึกว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นนี่คือเป็นข้อสังเกตจากการที่เราอ่านนะครับเพราะว่าสุรหัสดารักษ์เออสุรหัสมาลมุลเนี่ยมันผสมผสานทั้งหมดเป็นเนื้อเดียวกันได้อย่างสวยงามหมดจดนะครับ อ, อย่างที่เราบอกไปเมื่อตอนต้นว่าอายักที่สองอัลอลอลาพูดถึงการสร้าง ชีวิตกับความตายเป็นการอธิบายถึงความสวยงามในเชิงนามธรรมไม่มีใครที่สามารถสร้างชีวิตไม่มีใครที่สามารถสร้างความตายได้นอกจากอัลลอสุบฮานาอัลตะลาเท่านั้นไม่มีเพราะนั้นถ้าเรามองในจุดนี้เราจ ะ, เ, าจะเห็นกับความงดงามในการสร้างของอัลลอฮฺสุบฮ า, านาอัลตะลาอัลลตะลาไม่ได้สร้างชีวิตอย่างเดียวสร้างความตายด้วย มีบางอุลามะผมจำไม่ได้ว่าเป็นคําพูดของอออขอ ง, ของ เ, ออเป็นอะไรสูจะมีพูดในนี้ด้วยบอกว่าถ้าไม่มีสามอย่างนี้มนุษย์จะไม่รู้จักการก้มหัวจะเป็นคนที่หยิงยโส อ, อยู่ตลอดเวลาแต่เพราะมีสามอย่างนี้แหละทําให้มนุษย์เนี่อรู้จักรู้จักอะไรก็ได้รู้จักรู้จัก อ่อนน้อมบ้างนะครับรู้จักลดความกลางของตัวเองบ้างถ้าไม่มีสามอย่างนี้เราก็จะเดินอย่างเงี้ยทุกคนจะเดินอย่างนี้หมดเลยหนึความยากจนถ้าเราทุกคนรวยกันหมดเนี่ยเห็นไหมฮะเราก็จะเดินชูคอเดินเชิดคอกันไม่มีใครแต่เวลาที่เรายากจนเห็นไหมต้องเดินคนยากจนเขาเขาเดินกันยังไงอันนี้ประการที่หนึ่ ประการที่สองอัลมาดเจ็บไข้ได้ป่วยเราทุกคนไม่มีใครป่วยไม่มีใครเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นครับทำตัวไม่เคยนึกถึงอัลลอฮ์สุบฮาวตัลละล่าสุดท้ายอัลเมาความตาถ้าเราไม่มีความตายใช้ชีวิตยังไงคนที่ไม่คิดว่าตัวเองจะตายเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์สุบฮาวตัลละเนี่ยอัซี ทรงเครี่งไกลก็เลยกำหนดสามอย่างนี้เพื่อที่จะให้มนุษย์ยอมสยบต่อพระองค์มาลอสปาแต่นั่นก็ยังมีมนุษย์ส่วนหนึ่งที่ไม่ยอมสยบยังโอหังกับ an, อัลลอฮฺสปาเราแต่อะไรเป็นความสวยงามชีวิตเป็นความสวยงามความตายเองก็เป็นความสวยงามยังไงเป็นความสวยงามยังไงบางคนถ้าเราพูดถึงความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับ แต่สำหรับบางคนความตายเป็นสิ่งที่สว ย, ยางามความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวจริงหรือชีวิตไม่ได้น่ากลัวหรอกหรืออ่ะการที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยถามว่ามันไม่มีอะไรที่น่ากลัวเลยใช่ไหมทุกวันนี้ที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมีแต่สิ่งที่เราปรารถนาทั้งหมดเลยไม่มีอะไรเลยที่เรากลัวจากการที่เรามีชีวิตไม่ต้องร้องไห้ อนะไม่ต้องโศกเศร้าเสียใจไม่ต้องปวดหัวเรื่องต่างๆเหล่านี้มันเกิดมันเกิดในชีวิตว่ามันเกิดหลังจากที่เราตายเพราะฉะนั้นความตายกับการมีชีวิตนี่มันเท่ากันเราจะพิจารณาจัดแง่มุมนี้มันมีความสวยงามอยู่และแต่เซบันโดยเฉพาะคนที่ตายในยหนทางของอล l l a h คุาา้มครองเขาตายคนที่ตายนหนทางของ Allah เนี่ยเขาอยากจะตายบรรดาซาฮาบะฮ์ในสมัยก่อนเวลาออกไปสมรภูมริรบเนี่ย ชื่ออะไรแล้วนะที่บอกที่ท่านนับีบอกว่าอาถ้าใครที่ j ิ h า d ในทางของอัลลอฮ์แล้วเขาจะได้เข้าสวรรค์เลยตัวเองถือลูกอินทพาลังอยู่ก็เลยบอกว่าอัลลอฮ์ทีขอสาบานด้วยอัลลอฮ์ถ้าหากว่าชั้นเนี่ยมีชีวิตอยู่จนกระทั่งว่าได้กินลูกอินทพาลังสองสามลูกนี้เนี่ยจะนว่ามันไม่มีค่าอะไรเลยทิ้งอินทพาลาังแล้วก็ไปรบไปออกไป ประจัญบานกับศัตรูแล้วก็ตายอะไรของทางออลล็อกตรงนั้นเลยอหนะนี่คือมันที่เราต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่ชีวิตกับความตายอันไหนมันน่ากลัวกว่ากันบางทีการมีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้น่าพิสมัยมากนะเป็นมะเร็งเป็นเบาขวานเป็นนูเป็น น, น, นี่แล้วมันน่าอยู่ตรงไหนต้องให้มีคนมาเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวอนะชีวิตเนี่ยดีสวยเหรออย่างเงี้ย แต่ถ้าตายไปแล้วสมมติตายไปแล้วไปอยู่กับอรัสตาลาเปิดกว้างกูโบโของเราอยู่กับเนหมัด ต, ต่างๆอยู่กับสวนหนึ่งแห่งสวนสวรรค์ทําไมเราถึงไม่อยากได้ถ้าเราตายแล้วได้อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นความงามแบบนามธรรมที่อรัสตาลาพูดถึงก็คืออัลเมวัลไห้ความตายกับการมีชีวิตนี่คื อ, อยัดที่สองเพราะยัดที่สามอรัสตาลาพูดถึงความงามที่เราสามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัส ข, ของเรา ความงามแบบรูปธรรมนั่นก็คือการ ส, สรรส้างท้องฟ้าอัลลอฮฺดีขลักซซาบะสัมมาวาจึงติบะกอพระองค์ผู้ทรงสร้างท้องฟ้าเจ็ดชั้นติบากอก็คือเจชั้นพอนซ้อนซ้อนทับกันนะครับติบกากอในเทวราชราบท์ไม่ได้บอกว่าท้องฟ้ามีเจ็ชั้นเนี่ย ผมจริงๆแล้วเคยผ่านตาในเรื่องข้อมูลที่นักบรรดานักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะอธิบายว่าชั้นต่างๆในบรรยากาศของเราเนี่ยมันมีชั้นอะไรบ้างจําไม่ได้นะครับเคยผ่านตามานานแล้วแต่จะบอกว่าท้องฟ้าที่เรามองเห็นเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่ชั้นเดียวซึ่งบรรดานักวิทยาศาสตร์เองเขาพิสูจน์มาพี่น้องลองจินตนาการไปเมื่อหนึ่งพันสี่ร้อยกว่า ป, ปีมาแล้ว ที่อายัดนี้ถูกประทานลงมาแล้วท่านนาบีก็อ่านให้กับบรรดาชาวทะเลทรายฟังคนในทะเลทรายเขาจะคิดอย่างไรปัจจุบันนี้มันมีข้อมูลมากมายที่เราสามารถเข้าถึงอยากจะรู้อะไรเข้าก o เกิลอยากจะรู้อะไรเข้าอินเทอร์เน็ตอยากจะรู้อะไรตามคนตู้นตามคนนี้ได้สมัยก่อนเวลาที่อัลกุรอานบอกว่ า, วาท้องฟ้าที่มีเจ็ชั้นนะพวกอาหรับพวกนี้มันจะไปหาข้อมูลที่ไหนนี่คืออัลกุรอานครับปฏิวัติความงอ้อเข่า ของมนุษย์เราอยากคิดว่าอัลกุรอานมันลงเฉพาะพวกเราแล้วลงสมัยไหนล้วมนุษย์ที่ไม่เคยคิดอะไรเลยอยู่ๆอัลกุรอานก็มาบอกว่าอัลลอฮ์สร้างความตายนะโอ้อัลลอฮ์สรางชีวิตนะอัลลอฮ์สร้างชท้องฟ้ามาเป็นเจ็ดชั้นนะสุดทานัลลเรอเาลองนึกดูซิว่าถ้าเราเป็นชาวทะเลทรายเราจะเชื่อไหมแล้วเราจะตะลึงขนาดไหนเวลาที่เราฟังอายัดแบบนี้เห็นไหมครับไม่มี เพราะฉะนั้นทุกคนที่ได้ยิน อ, ลอนัลถกฏอ่านในสมัยนั้นจะต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่คำพูดของมนุษย์แม้แต่บรรดามุชรีกินเองอบูบอบูจฮัลเองอบูลหับเองอ่าพวกนี้เนี่ยไปแอบฟังท่านนาบีสุละลัลของอะวะัลัมากว่าเราฟังดูแล้วรู้สึกเป็นเรนื่องธรรมดาเพราะว่าเราเคยผ่านเขาเรียกว่าข้อมูลพื้นฐานพวกนี้มาบ้างละ แต่คนสมัยก่อนไม่เคยฟังอะไรมาก่อนเนี่ยอัลกุรอ า, อามนมาบอกว่าซาบาสะมาวาเินติบากาท้องฟ้าเจ็ดชั้น سبحان Allah لا إله าฮะอิลลัล ا إ อ ه إ ล ا الله นะมาทราฟีขลคิรรห์มะนมินเทฟาวต์จ้าไงนะเจ้าจะไม่เห็นความขัดแย้งและแปลกแยกในการเสกสรรของพระองค์ผู้ทรงเมตตา มาตรามายว่าเจ้าจะไม่เห็นที่ خلق อัลลอฮ์ในการสร้างของล l l a h ผู้ทรงเมตตาอัลลอฮ์ Allah แต่เราใช้พระนามว่าอัลลอฮ์มานไม่อยู่กับคุณลักษณะการสร้างของพระองค์ใครเป็นผู้สร้างพระองค์บอกว่าอัลลอฮ์มานเป็นผู้สร้างเอาคุณลักษณะความเมตตามากำกับการสร้างเหมือนกับว่า เวลาที่เราเห็นท้องฟ้าเวลาที่เราดูไปยังมะคลูกของร่องสุภาลอต้าลาเนี่ยเราจะเห็นความเมตตาของร่องสุภาลอต้าลาซุกซ่อนอยู่ทุกที่ทุกแห่งเลยสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะความเมตตาของร่องสุภาลอต้าลาเกือบทั้งหมดเลยไม่เมตตาได้ยังไงถ้าไม่มีท้องฟ้าโลกนี้อยู่ได้ไหมครับถามนักวิทยาศาสตร์ดู ถ้าไม่มีชั้นบรรยากาศที่คอยห่อหุ้มโลกเราอยู่เนี่ยอกกาบาทต่างๆดวงดาวต่างๆเวลาที่แม้กระทั่งแสงแดดเองถ้าไม่มีชั้นบรรยากาศเนี่ยโลกนี้ไม่สามารถที่จะนี่แหละที่เขาบอกว่าปรากฏการ์โลกร้อนสมัยนี้โลกร้อนโลกร้อนเนี่ยไม่ใช่โลกมันร้อนขึ้นไม่ใช่ว่าโลกมันมันมันมันอุณหภูมิมันสูงขึ้นจากข้างในแต่เป็นเพราะชั้นบรรยากาศถูกทําลายทําให้แสงแดดเนี่ยมันเข้ามา ยังพื้นโลกมากขึ้นนะครับมันไม่สามารถที่จะระบายออกได้มีภาวะเรืนปนระจกหรืออะไรก็ว่าไปเพราะชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นชั้นที่คอยห่อหุ้มเนี่ยถูกทำลายไปเห็นไหมครับรัศ ล, ลาสร้างชั้นฟ้าชั้นบรรยากาศมีความเมตตาซุกซ่อนอยู่ดวงอาทิตย์เองมันเป๊ะมากเลยนะดวงอาทิตย์เนี่ยมันอยู่ตรงนั่นทาไมองศานั้น มันอยู่ที่องศานั้นพอดีเลยอ่ะถ้าสมมติว่ามันอยู่ไกลกว่านั้นสักนิดหนึ่งโลกเราจะเกิดอะไรขึ้นหรือถ้ามันอยู่ใกลอีกสักนิดหนึ่งมันจะเกิดอะไรขึ้นอัละละละเมตตาเระฟะเบออีอัล ل َ ا ء ِ رَبِّكُمَا ت ُ ك َ ذ ِّ ب َ ا ن นนี่สุระตุลราะมันสุร่าที่พูดถึงความเมตตาของ Allah ละละลแล้วรดูการต่าง ฤดูการต่างๆเนี่ยดวงอาทิตย์จะอยู่ใกล้อยู่ไกลกับโลกในระยะทางที่ไม่เท่ากันฤดูฝนดวงอาทิตย์จะอยู่ตรงนั้นฤดูร้อนดวงอาทิต ย, ย์แล้วถ้าหากว่าดวงอาทิตย์อยู่มุมนั้นตลอดทั้งปีจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับพลไม้จะไม่ออกลูกอ่ใช่ไหมสัตว์ต่างๆจะไม่ผสมพันธุ์นี่คือ มาตราในขลอัลรอฮฺม์มันมปนท่าฟ้ไม่มีอะไรที่บกร้องเลยต่าฟ้าวมันขาดตรงนั้นนก็ไม่มีเลยอัลลอฮหัอ ah ักบ ah ั ah. บางทีเราอาจจะไม่เคยรู้สึกอย่างนี้เพราะเราไม่ดูไม่ดูหรือถ้าดูก็ไม่ได้นึกถึงว่าเป็นการสร้างของอัลลอมันต้องมีอยู่สองอย่าง หนึ่งใช้ความคิดสองผูกโยงความคิดเนี่ยเข้ากับการนึกถึงอัลล์ถ้านึกถึงอัลลอ์อย่างเดียวไม่ได้คิดมันก็ไม่เกิดผลหรือคิดแต่ไม่นึกถึงอัลลอ์มันก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์วาตตอลาเนี่ยเขาดูดวงอาทิตย์เขาดูท้องฟ้ามากกว่าที่เราดูอีก ผลิตเครื่องมือต่างๆเพื่อที่จะศึกษาดวงดาวทั้งหมดที่มีอยู่ในจักรวาล น, นี้แต่ถามว่าคนที่เป็นนั ก, กุิทยาศาสตร์เหล่านี้เนี่ยได้ประโยชน์อะไรบ้างนอกจากเขียนงานวิจัยได้ชื่อเสียงในโลกดูนาีาไม่มีผลอะไรต่อการศรัทธาทอของเขาเลยเพราะอะไรครับเพราะไม่ได้เอาสิ่งที่เขาดูกลับไปหาอัลลอฮ์ในขณะที่เรารู้ว่าทั้งหมดมีอัลลอฮ์ลเป็นผู้สร้างแต่เราคิดน้อยเกินไป เราดูน้อยเกินไปมันก็เลยเหมือนกับว่าเราไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยจากดวงอาทิตย์เราไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยจากความสวยงามของโลกนี้ปล่อยให้พวกฝรั่งมันเอามาใช้จนเล็กเทะหมดถามว่าความสวยงามต่างๆที่มันอยู่ในบ้านเมืองเราตอนนี้เนี่ยคนในประเทศพวกเรากันเองเนี่ยใช้บ้าน้อยเท่าไหรไอ้ที่สวยๆเนี่ยเป็นของเขาหมดแล้วเห็นไหมครับ มันต้องมีสองอย่างด้วยเด็กน ن อัลลอฮฺนัยล์คุรุนลลอฮฺขียามันวะกูรุดันวะลาจูบิห์มวัยทฟ์คารุนใน خلق สภาวะที่แล ل อัลลอฮ์ต้องนึกถึงอัลลอฮ์ยักษ์รุนอัลลอฮ์ซีคีรตัลลอฮ์ฟุบกับอัลลอฮ์วัยทฟ์คารุนกับอัลลอฮ์ต้องซีคีรกับมักลุกออัลลอฮ์ต้องฟีคีร ฟิกรเนี่ยจะฟิกเกอรกับอัลลอ์ไม่ได้กับอัลลอ์ใช้ซิกเกอรนึกถึงพระองค์คิดถึงพระองค์รู้จักพระองค์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ด้วยคุณลักษณะต่างๆที่พระองค์พูดถึงในคำภีของพระองค์อันนี้คือซิกเกอรแล้วจะเพิ่มการซิกเกอรของเราให้มีอัธรรถให้เข้าใจมากขึ้นให้ฟิกเกรต่อมัคลูอั ح ح ลลอฮฺ อย่าฟิกเร์นี่ยเรื่องกับ l พ, พ, พอฟิกเอรในี่ยเรื่องกับ Allah ล่ะเนี่ย ม, มันจะมันจะมีเขาเรียกว่าตั ก, กะที่ไม่บริสุทธิ์เข้ามาเข้ามาทำลายหรือเข้ามาแทรกซึมในความคิดความอ่านความเชื่อของเราต่อ Allah سبحانه เราต่างๆอยากจะรู้จัก Allah นี่ไม่ต้องฟิกเรนี่ในอัลกุรอานมันมีอยู่แล้วแค่ดเก็บ สิ่งที่เราต้องฟิกเกรก็คือมัคลูที่พระองค์สร้างซึ่งเป็นเครื่องหมายว่าอัลลอฮฺตาอัลทรงมีคุณลักษณะอย่างนั้นมีความสามารถอย่างนั้นเข้าใจนะครับเมื่อเราสามารถผูกฟิกเกรต่ออัลลอ์กับฟิกเกรต่อมัคลูของอัลลอฮ์มันก็จะเกิดผลเชิงปฏิบัติออกมามาจราฟีขัลกิร์หมานมินทัฟาวในร่าอัลอิมรนอัลลตอลบอกว่าุบฮานัก فَقِنَا عَذَابَنَّا الذين اللَّهَ يَذْكُرُونَ จะเกิดการยอมรับว่าอัลลอฮฺสุวาตีละไม่ได้สร้างสิ่งนี้มาบาปลไม่ได้สร้างมาแบบเปล่าประโยชน์บาตินสร้างมาเฉยๆสร้างมา เราใช้แล้วจบชีวิตเราจบพอตายแล้วก็จบไม่ถ้าเราสามารถสิกเกตกับฟิกเกตได้ผลมันจะออกแบบอื่นมันจะไม่ออกแบบนั้นมันจะออกมาในลักษณะว่าเราแต่ลาไม่ได้สร้างทั้งหมดที่เราเห็นมาเนี่ยาตนะรีลาซุบฮะนักฟะกีนาฮาซาบันนาเมื่อเกิดการยอมรับก็จะเกิดการปฏิบัติการเข้าหาอัลลอฮ์การขอดุอาวต่ออัลลอฮ์การขอให้อัลลอฮ์แต่ละนั้นทําให้เรารอดพ้นจากนรก จากการลงโทษของพระองค์า l l a h Subhanahu Wa Taala เพราะฉะนั้น a l ล a h หรือว่าความสวยงามที่อยู่ใกล้ตัวเราบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ต้องลงทุนลงแรงเลยไม่ต้องลงทุนเลยเงินฟ้าเงินหน้าขึ้นดูต้องฟ้าเช้าฉาดูนก บ, บินดูก้อนเมฆมันลอยไปลอยมานะดูดวงจันท์เวลาที่มันเป็นจันทเสี่ยวมันเป็นยังไงแล้วมันค่อยๆเติบโ ต, ต, ตใหญ่ขึ้นมาเป็นดวงจันท์ ส no, ิบาครัอะไรอย่างเงี้ยดูบ้างนขาแต่ละสั่งให้เราดูฟ رجيل บาซาระฟ رجيل บาระเลทาราเมนฟตูจงดูจงทวนดูฟ رج ิลบารมันว่จงทวนจงซ้าแล้วซ้าเล่าติกราให้ดูซ้าแล้วซ้าเล่าเฮลทาราเมนฟตู ดูซิว่าจะเจอกับความบกพร่องในการ ส, สรันสางของล่องสุภาพนาหรือเปล่า Allah, อัลลอฮฺสุภาพนัละนะครับนี่คืออะบางทีต้องลองบ้าง น, นะครับต้องลองดูธรรมชาติที่ Allah สร้างมาให้มันสวยงามและมันให้มันเกิดการเพิ่มศรัทธาในหัวใจของเราไม่พอนะครับอัลลอฮฺตาลัยยังบอกอีกว่า ثمرجع البصرك ر ت ي ن ดูอีกดูซ้าแล้วซ้าแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ให้ดูครั้งเดียวดูอีก ثمرجع البصرك ر ت ي ن อ่าแล้วจงหวนกลับไปดูอีกครั้งแล้วครั้งเล่าย a n قلب إل ัย ك البصر خ ا س ئ สายตาย่อมเจะหวนกลับมายัางตัวเจ้าเองด้วยความรู้สึกอับยศต่ําต้อยหมายความว่าไม่สามารถที่จะเจอความบกพร่องในการสร้างของล้อสุภาเนอตะลาได้เลยวะฮัวฮัซซีแล้วก็ถ้าใครที่โอหังถึงขนาดว่าจะพยายามดูว่าตรงไหนที่มันเป็นข้อบอกพร่องในการสร้างของลาา้อสาาุภาเนตะลาเนี่ยสุดท้ายบั้นปลายของคนที่คิดอย่างนั้นเนี่ยก็คือจะเหนื่อยเปล่าไม่สามารถที่จะหาได้ ว่าข้อบกพร่องในการสร้างของลองาอา็อกสวาลตะและนั้นบกพร่องตรงไหนบ้างเช่นเดียวกันอย่างที่เคยบอกนะครับว่ามัคลุกเนี่ยคืออายาเครื่องหมายเกาเนียเครื่องหมายแบบการสร้างแบบมัคลุกเรียกว่าอายาเกาเนียในขณะ ant ที่อัลกุรอานก็คืออายาคุรานี อายะทกาลีย์ก็ได้ค๊เรกยกว่าเป็นเป็นการสะท้อนไประหว่างสองอายะท์อัลกุรอานคืออายะกาลีย์ของ a l l a า s u b h l อายะ์อัลกุรอานที่เราเรียกว่าอายะ์อายะ์ใช่ครับอายะ์กุรอานอายะ์กุรอานก็คือคําพูดของ Allah s u b h n a h u Wa คําพูดของลในอัลกุรอานเนี่ย มันสะท้อนไปที่อายะห์เก่าเนี่มัคลูของพระองค์เวลาที่เราอ่านอัลกุรอานเห็นไมจะเจอกับดวงจันทร์จะเจอกับท้องฟ้าจะเจอกับมันสะท้อนให้เห็นให้เรากลับไปดูมัคลูเวลาที่เราไปดูมัคลูมันก็จะสะท้อนกลับมาให้เราคิดถึงอัลกุรอานมันเรื่องเดียวกันนี่คือความหารรย์ คือความมหัศาจรรย์คือความสวยงามคือความลงตัวคือความสมดุลที่ไม่มีคำภีร์เล่มอื่นสามารถจะทําได้อย่างนี้เวลาที่เราดูมนุษย์เวลาที่เราแฉเวลาที่เราเขาเรียกว่าอะไรนะผ่าตัดผ่าตัดตัวเองนิสัยของเราเป็นยังไงอารมณ์ของเราเป็นยังไงพฤติกรรมของเราเป็นยังไงมันก็จะสะท้อนไปยัง คำสั่งต่างๆที่ลอต阿拉สั่งเราแล้วลอา阿拉พูดถึงตัวเราในคำฟีของพระองค์เอาลอตบอกกับเราว่าว่านัลอินซานอัจุล่มนุษย์เป็นคนที่รีบร้อนจริงห้อ่ะอะมนุษย์เป็นคนที่รีบร้อนทำอะไรไม่คิดทำอะไรไม่ยังคิดว่าคุรีกลอินซานอัตติฟะมนุษย์นั้นเป็นคนที่อ่อนแอ ไม่ต้านทานต่อฮาวานัตสูของตัวเองจริงหรือเปล่าใมครับอ่าแลอีกว่การว่กาอะไรนะยอิน ر ض ا ل أ م على ا ل س و ا ل ر ض و ا ل ج ي ح ن ا م ن ا ل س ا ن إ ن كان ظ ل م جهولا มนุษย์นั้นชอบทาร้ายตัวเองมนุษย์นั้นเป็นพวกที่ j ะ h u l a จะเหนไม่ชอบเรียนเป็นพวกที่ไม่มีความรู้จริงไหมจริงไหม <c oughs> คือมันสะท้อนนะพอเราดูพฤติกรรมของมนุษย์ ม, มันก็จะสะท้อนไปอย่างอายะฮ์อลัลกุรอานเวลาที่เราอ่าน อ, ยอายะ์อัลกุรอานมันก็จะสะท้อนมาที่ตัวของเราเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมนุษย์แล้วไม่อ่านอลัลกุรอานแสดงว่าเป็นคนที่เป็นคนที่อะไรดีจะใช้สับอะไรดีกับคนที่ไม่ยอมอ่านเป็นคนที่ไม่ยอมรู้จักตัวเอง อันนี้เบาที่สุดละเป็นคนที่ไม่ยอมรู้ว่าตัวเองเกิดมาทำไมเป็นคนที่ไม่ยอมรู้ว่าข้างหน้านี่จะไปทางไหนเป็นคนที่อยู่เฉยๆผมไปอินโดนีเซียมาแล้วมีข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจไปเข้าอบรมเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนมันมีทฤษฎีหนึ่งซึ่งเพิ่งเพิ่งเคยได้ยินมาจริงๆแล้วมันมีมานานแล้วนะครับคนที่อยู่เฉยๆไม่ยอมที่จะวางแผนเรา คนบ้านเราไม่รู้ว่าก็เรียกว่าวัฒนธรรมในการที่จะทำอะไรแล้วทำด้วยการวางแผนนย่างน้อยอยู่ทำอะไรก็คือทำไปเลยไม่คิดก่อนว่าจะทำยังไงจะไม่มีการวางแผนทุกเรื่องเรื่องดุนเนียเรื่องอาเครัตเรื่องดาอ่าวะหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ทําทำทำไปแบบความคุ้นชินไม่มีการวางแผนอะไรเขาบอกว่าคนที่ใช้คนที่อยู่อยู่แบบเรื่อยๆไปวันๆเนี่ยเหมือนกับกบใครอยากจะทดลองก็ลองดูนะ เขาบอกว่ากบเนี่ยถ้าเราต้มน้ําให้เดือดตมน้ําให้เดือดผ้าอะเดือดน้ําร้อนมากแล้วลองจับ ก, ก, กบตัวหนึ่งใส่เข้าไปในหม้อที่น้ํากําลังร้อนอยู่เนี่ยกบมันสามารถที่จะกระโดดออกจากหม้อได้ทันทีเพราะว่ามันรู้สึกว่าน้ํามันร้อนแต่ถ้าหากว่าเราเอาน้ําเย็นมาใส่หม้อเอา ก, กบใส่เข้าไปค่อยค่อย ปรับระดับความร้อนของไฟไอ้น้ํามันค่อยๆร้อนกบมันสามารถที่จะปรับตัวเองให้เข้ากับอุณหภูมิของความร้อนได้มันไม่ออกจนถึงจุดหนึ่งที่น้ําร้อนมากมันอยู่ไม่ได้ละนะครับพอจะกระโดดแล้วเนี่ยมันกระโดดไม่ไหวละเพราะอะไรครับหมดแรง <laughs> มันหมดแรง นี่คือคนที่อยู่เฉยๆแบบไม่อยอมคิดอะไรมุสลิมก็เหมือนกันนี่เรากลัวว่าเราจะเป็นอย่างนั้น อ, อยูม่มุสลิมแล้วอยู่เฉยๆไม่ต้องเรียนไม่ต้องพัฒนาตัวเองไม่ต้องคิดอะไรแต่อยู่แบบกบที่อยู่ในน้ำแล้วพอถึงสักพักหนึ่งมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเราแก้ปัญหาไม่ทันละจริงๆแล้วทฤษฎีนี้มันใช้ได้กับทุก ทุกเรื่องเลยนะครับเรื่องธุรกิจก็ใช้ได้เรื่องการจัดการการบริหารการปกครองมันอยู่ที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นทฤษฎีในการที่จะทําให้ตัดสินใจทําอะไรลงไปสักอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆโดยที่ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้วางแผนชีวิตตัวเองเลยไม่ได้วางแผนว่าอาคีารัตของตัวเองจะไปอย่างไงเป็นข้อคิดที่ดีมากนะครับว่าเราเนี่ยถ้าเป็นมนุษย์เป็นมุสลิมแล้วโอ้เวลาผ่านไปนานนะแล้วไม่ยอม ที่จะเรียนรู้ระวังว่าจะเป็นกบที่อยู่ในน้ำอยู่ในหม้อต้องไม่ค่อยๆร้อนค่อยๆร้อนสุดท้ายพอน้ำร้อนถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยกระโดดออกจากหม้อไม่ไหวแล้วก็จะตายอยู่ในนั้นเลยเอาสุบินละพระเจ้าดีเพราะฉะนั้นมาร่วมกันนะครับรณรงค์ให้เราได้รู้จักตัวเองผ่านอัลกุรอานของอัลลอฮ์สุบฮานะสาละที่พูดถึงพวกเราทุกคนอัลลอฮฺ تعالى أعلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة كما يسيبون وسلام على المرسلين لل الم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم